เเป็นเครื่องคุดสาสุดตัวไม่ได้คือพอเฮ็ดยังไงมันจะเป็นยังไรเขน่อยเฮ็ดยังสี่มันจะเป็นยังไรขาน่อยแตัวมันจะเมือนแล้วจะไปจับหูหิวมันกับเห็ดมันเสียพูงไงอ่ะมันม้วนมันมคือผูงไงเสียง่อยพูงไงเสียง้อยหนึ่งจะเสียไ่ายจะได้ต้องยักการตองยักลวดลายสมเสียพูงไง อยูにに่มันกับอะไรอ่ะบางนก็ตเพราะเขาหนอยช้นกะจยมันจะ่งข็่อยชิ้นกระเจี่มินเป็นไง้ยสักตัวเขาจะมาทเนี่ยมันมันก็ดเวทเแล้วไปก็พดเวาอมันเส่มามันเส่เข้าลบนตัว จับงูหิวแรนมันคำสดจเอางมี่ไม่พอเลยนะงูทกั้หมดกคนเขาสู้กันยี่ผ้ามัดมือห่อเขาพูดให้เจ้าบอกว่าหายหาโหลวห่อโ้าหลง้อมันบอกมาฟังเอพอแม่้เามโหลวม่โขหมาหลวเาจกตากันสิเน่เหรีเนี่ยในสันฟังออกมาละคุณหมอออกละ เขาว่าน่าเขาใกล้สิตายแล้วล่ะอืมใกล้สิตายซะได้ขีเดชียแห้งหลายเขามแล้วต้องเขาว่าอะไปัน่นงูหางงูสาขึ้นขอคือมาถึมดมือมดเล่นน่ะอืมปวดพิษว่ะตัวอะตัวขึ้นกันว่านี่ขึ้นกัน คนๆๆนี้คมเมื่อแล้วบ่เมื่อม่ได้เซ้าบ่ออโลกอันนี้มันมาเป็นโลกผู้ใหญ่จหง่งกีเดีมันทาไม่ยาดกันมันทำไมา่จกตากัน นันคือว่าทางไหนโดนมาเกิดมากแก้มากมาเก็บมากตายมาโรกมากปวดมากหลงอืมมันก็สั้นอุปสรรคมันจะเป็นยาวิเศษมันจะเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าเบื่อนายโลกามันดีธรรมแงงค์ข้าห็นเนี่ยเขาจะไปได้มันมัดีถ้าเป็นง่าค้าห็นโ ด, นนดยจังเบือ่อนายข่ายมาเม่าในวตาพ่อการมันไปได้ ยิ่งพบอุปสรรคแต่ยิ่งมีกำลังคนนี้เขาเป็ตัวยิ่งพบอุปสรรคหน่งยิ่งถอยออกจากพระพุทธศาสนาเนี่ยเ่าะมันติดตายทางโหยิ่งพบแก้พบเก็บพบตายพบโรคพบโกรธพบล้มพบขาพบแกงอือเขาแสดแห้งถ้าไม่คิดยจใจใจเพิ่มควบเบือนายไายเมาในควมหลงของจะของจะเกยลงว่ามันจางแมน ผู้ส ล, ลับซึ่ง้องสั่นจะแม่พูดเสีนี้จากวัตาทุสามได้เพระสักนี้มได้แล้วนี้จากควบหลงจากของมาได้ละนี้จากวบง้อจาของมาได้ละสิงนี้เฮยมเฮี้ยนไม่ทรานี้จากวบหลงพวงอจากของได้คือมโนมมาเพิ่มพวบหลงควกง้พวบหลงจากของอะระันง อ, องออนนสังงงสงส่งว่าคำว่าไม่กิเลสเท่าสิเกิดมาแหงสัง่ง พอ่อแม่พนเหกันพ้นกิดเหตุโดยมกำลัดของพนนคือพนบุญ้องาเสเอาลูกผูดยังสั่นลูกผูดยังเสือเฮ้ามีกิเทมือนว่าเกิดตองพ่นแม่้องสั่นเอารดว่าพรแม่เขาทำใหนผูดยิ่งขึ้นกันนะเพราะพ่อแม่พระพุทธเจ้าทำใหนผูดยิ่งขึ้นกันนทั่งสร้างูยิ่งเขาสร้างแม่เขาขึ้นกันนะอ่านนะ่าว่าสร้างผู้ใช้ก็สร้างพ่อเขาขึ้นกันนะอ้อพ่อเขาทำให้ผู้ใช้ได้ แม่ห้องกับแม่ผู้หญิงเล่รือว่าอย่าไรคะเนี่ยพระพุทเก้าเกิดนผู้หญิงพอกเบาม่ผู้ที่รอว่าอย่างไรพรพพุทธเก้าพรเกิดจช่นกันห่าห่งพรเกิดยื่ซื้อได้หราพระเกิดแล้วให้เห็นโทษในวัดตทาทองสา ม, อมสอนที่ซ่าให้นท่านเส้นเข้ามาหน้า้ออกจากวัดตทาทองสามไปมาอยู่ในวัดตทาทองสามนี่ปล่อยขเขามาอยู่ในห้องกัเจ้าแก้วด้มาขวางเขายัางงงูห้อง ไปสวัสดิก็ตอไปแต่พวกมันลกก็ตอกไปไปนิพพานก็ตอกไปมองหลเจ้าแก้ง้องห่วงป้ยเขามาป้ายชื่อเขาอยู่แตตัวหอกทุกม่มอยู่บนหอกเขากระยุเขาแห้งศ่ะสิไปแทงเขายู่ห้งมูอหอกหอกโอยเอ๋วไม่กวนไม่ขึ้น่ว่าสิปฏิบัติทื่อศิไปพ้นทุกข์นว่าตาต้องสารนี่คระบตาคนตาศิษหวังพ้นทุกข์นะ่าตาต้องสารปัญหามันก็ศิษย์ไม่อย่างไรงงก็ต้องเรียก ขวัขวังใช่นนว่าขวดเ่อขวดพกันด้วยในวัดพสงสารนปัญหามาไกลละนับเป็นนกงูงปู่ปีกไปน้ําปะปู่ต่าไปอืมวงังเอายแพ่อาสนะ ก, กันมันน่ะมันแผ่ที่มันพันขีเล็กท่าน น, นั่นเจ้าอท่านขี้เหล็กท่นขี้เหล็กในเช่นันจึงไม่ปราณี่บาทจึงไม่เอาชิ้นนาทางจึงไม่การเมสมิชัาการ จึงไม่หมดสาวาสจึงไม่ดื่มหนัาเมาจะบปดื่มมันกัเมาพระแห้งแล้วจึงมีเส้นหาเส้นแตกกยเป็นเครื่องหัวเพราะโม่เอทั้งหลายขันบ่มันไม่มีอุปสรรคเพาันเพียงแนอนใจมัดแล้วมันมีอุปสรรคก็ทิ้งได้นนอนใจในวัฏสงสารนั่น เสักแก่ประเศแก่ประศักตายโกรธโกรธล้มก็ไม่ยู้ในขีดห่างใจฮผู้เทศออกโรมประเทศเอาเอาผู้ผู้เทศเอากีเดียร์ปรเทศผู้ฟั่งเอากีเดีรฟั่งผู้ปฏิบัติเอากีเดีรปฏิบัติมันขีเดียรประโยชน์มานไหสั่งเราออกั่เราอว่ามีหน้ามองมาคัก่าพระพุทธเจ้าพ้นจากขีเดีร์ไปแล้ว ข้ขังเออเฮ้ยผ่านนั่พระพุทเจ้าประเทศเอาได้ทอเขาง่วนเนี่ยขนง่วจะกันรรไทหมดนั่นมาแต่ละยุคลยุคนะพระพุทธเจ้าแต่ละยุคละยุคนี่งหละได้ทอขนง่วนเนี่ล่ะเขาเออยวทอเขาง่วนเนี่ขนง่วมันจะพบกัจกบจักรวไทหมดได้ซ้านั่นอ่ะได้ซ้านั่นนี่สิับซ้าไห ในพระสวดิวันทัศนาท่าข้ามีเนาามีอรหันในเป็นซีประเภทศในสำแหน่งทุ่งนั้นกับป่ายซักเจริญชาทบ่าบ่หกบา่าพระพุท่กกททเจ้าจึงสร้างฟอนไว้ว่าทิศทีโตเทียงเกีย ง, งงอนกันนี่่ามันทิศทีเ อ, อียงทิศทีราคาไม่ราคาเป็นสมุทราน เพราะมีสิ่งที่หงที่หึงอยู่นะสัตว์จึงในทุงเสียงเกียงงอนกันนัตวเมื่อทิฏฐิราคามื่เกิดขึ้นมันผสมประสองแล้วทิฏฐิของโมหะเมื่เกิดขึ้นโทสะเมันเกิดขึ้นทัแล้วเอาสัตว์่าวฟั่นลัมแพงกันนะสัตว์สองมันไม่มีบนทิจฐิบนพระองค์เจ้าอกทุงเสียงเกียงงอนกันด้วยกินด้วยใช้ด้วยอะไรต่ออะไรก็คือทิฏฐิราคะนั่นเองเมื่อทิฏฐิราคามีแล้วทิฏฐิโมโทสะก็เกิดขึ้น ส่วนโมหามันดองเส้นด่านอยู่แล้ ว, ว ม, มุวมาน่ะมหมันดองเส้นด่านนี่แล้วนนทีนี้เนื้อนะออกพันศาเนี่ยเป็นเรียกว่าประว่าแล้วนะออกานะัาเนี่ยป่าว่าแล้วนะข่าพันศาเรียกอธิษฐานพัษา นิ ม, มัสเซยงอาวา่าเสยนิมังเตมาสังวัดสังอุปเปมิข้าพเจ้าสิโยเนี้ตลอดสามไตมั่งควอสิปฏิบัติตามสถทติตทกำลังของกองขันออกขันสาแล้วนทังคํำพันเตเพราะว่าเลมิเทศเทนะว่าสุเตนะว่าปริตสังกายเยาว่ามาท่านตุมังอัยสัมันโตอนุกบปังอุปปาทายะเมื่อได้เห็นก็ดีเมื่อได้ยินก็ดี เมื่อสงสัยรังเกียจว่าผู้ข่าปฏิวัติไม่ดีกว่าดีจงส่งอนุกรรม ป, งงปางอุปาทัยจงส่งสงเคเตือนผู้ข่าได้เด้อร์่ในพาะวน้ยอยเดี๋ยวมา่าวันวันมาหาปวานนาหน้าออกภาษาเฮ้่ผู้หน่อยเตือนผู้ใหญ่ ก็ต้องเตือนสันติวิธีจิไปจับหูหิวเตือนออกอะไรอ้อเพรายังไงก็ไม่อยู่สมมติว่าอาจารย์ทำผิดลูกศิษย์มาเตือนที่เตือนวิธีไรท่านอาจารย์ขอกราบเลื่อนศึกษาถ้าเข้าท่าเข่าท่ันถิบว่าเป็นท่านเบาขอศึกษาแน่พันรูปตัวพันกรับเองนะครับ เราติจับผู้หิวเอาวะส่วนผู้นอผู้ใหญ่เตือนผู้น้อยเดี๋ยวจะ ก, กรณีเดี๋ยวจะ ก, กรณีเด้วยวจะเหตุผล mm. พ่อแม่เขาตีก็คิดไน่ากระซงคุณพ่อคุณแม่เอ้ยลูกข้าใจเป็นเืองสัน่นลูกข้าใจเป็นเงสี่พ่อแม่ทีว่าอย่างไรข้า ม, mm. มันไ่ิดข้ามันิดก็ว่าเอาข้ามันไ่คิด ทำ ม, มันมาถือก็ว้าไม่จับมันถือคนแต่ห้าบว่ามันพลุกนะมันตาลงสาร้าวไปย่อมยาำแ ย, ายาม่มันพลุกนะมันตาลงสารเน่เห้าไป็นผู้เชื่อมข้อหนาหยุ่นดีมันก็มาจักพาาระหันก็ไปจากผู้เชื่อหนาุกคน ห, คหลว ง, งสันนรอันนี้อันเนืงขวอคิดมูวห้ากระไดนี่อันนู้นกระไรใครกรไรทีกันหมด ยกตัวอย่างลบผู้ไปล้มู้มหาไปเที่ยวล่าพอล่าแม่คิดพอคิดแม่ลูกคิดกับนักปาาอาจารย์กับบันทิดลูกคิดกับบันทิดอาจารย์กับนักปา่ามันก็น่าเป็นตะฟัง โอยการงานพ่อแม่คู่วายการแล้วเรา้อกเนาะเสมอเช่นพอาะเดือนที่สองนี่เดือนที่สองแห่การงานพ่อแม่คู่วายการแล้วบอก่ะแ่่การงานพ่อแม่คู่วายารแล้วนั่นคัดเขานอยนสิไปเที่ยวสิไปที่ไหนนาะ่ เออยิบผ่ายิบแพร่ขาแล้วในรว่าสันส่วนเอาฟืนในว่าในระวังนี่กะกะเอาได้แล well ้วแต่ว่าเดือนสามต้องสียเอาฟื้นอีกเลยว่าันถ้าห้องสียเอาฟืนแล้เื่อคันมไม่ง่ายไม่ก้ามงายในกบคนน้อยกสิคันม่กล้าไม่งนน้อยกสิ ภาลูก้ามโมง้าพเพื่ อ, อนเห็บถาวายพ่อแม่กบาอาจารย์ตะ ก, ก้อนยังสิไปเหอนกันเออก่าพ่อฟังด้วเนาะอันนี้พระท่นแต่ถว่าขั้นไปสิไปทั้งหลายเนอะเขาเนาะจเป็นต่อไปบ๊อบพระ่านรบาบแท้ของจักหละทั้งสุไปแจ้งให้เกียรติเพิ่น ไปถ้้งตะลออกกะดีอยู่คือบาทมันห่างทางั้งไงทงั้งถามพระดวงพระแดนไปทั้งบ้นนานนานกเข่ า, ามันสีเรียกยุ่วขั้นไปที่ไปเมื่อไดเน้อเขาหน่อยเพราะว่าโอ้กระดาษจะเห็นสองกวนเขาพอาาออกมาโจกถามน้อน ข้อดางมหาเลยพระบกสอบพส่วนพระกราบเดียวกันเดียวตัวโองมันไม่เป็นเช่นนี้ถ้าเนี่ยนักปฏิบัติมันต้องเึ่งปรึกษาพนะนกรว่าชไปเหตุตามอัตตาไม่มาตกเอาไวไดพรนว่าอดสาต้องให้ควมเป็นไงเขาควเสมอเสมอเนี่ยมันจังถือ นกตัวย่างขึ้นโอ้ข้างเขาแล็กขอาจเลบ้านให่เนี่ยเตียงมันก็แคบกวีเตียงของของลูกผู้ชายเตียงก็แกวีเตียงไม่ไพ่เตียงไม่ไพ่ก็แคบกวีตียงก็นอนเอียงไปเอียงมากเอียงไปเอียงมากไม่ไพ่บ้านไม่ไม่ไพ่ป้าเท่าไหร่กุกลมเสากุกลม แล้วกูก็ค้นค่อยสางคารวะมาสักนึ่ันกูเฮ็ดไยพจนนี่มัติแับกูด้เหนไหมักนึ่ง้นกูเฮ็ดไยพจนนี่กูเฮ็ดจไหมันจังสีวบ่มันจังสีวบ่อคำว่าคำหาโมกุญามาสักหน่งกูไหาจังเลยตกก็ออกตัีวิีฮแต่กลาวเลี่ยนพจนุจามมหาแต่ว่าพจนจามมหาเปนทุนใหญเดยวกูวาจามมหาวะ ตียงของพ่อแม่ผ <si ู้ใ่านนนี่ม well ันโรคเกตัวมโคคเตัวพราะอะไรย้อมหมตาวะใครเขาวเฮ็ดที่เป็นยังไนท่านขาน้อยที่ไปล่วงเฮ็ดรอดแต่มื่กลุ่มของพ่อแม่ผู้บ่าอาจารย์เนี่ยวะให้พ่อแม่ผู้บ่าอาจารย์นี่ยเพราะโอกาสเพิ่งหายเสียใจว่าววาวในที่ว่านี่เ่ได้ประมาทพ่อแม่ผู้บ่าอาจารย์นี่ะตัวพันวอกลัเราอีกเพราะพ่อแม่ผู้บ่าอาจารย์เ่คยสั่งทั้งโลกได้ว้ทั บวชมาแล้วผมว่ได้เอาเมียเ่ยที่อ่ะเพราะอเอาเนี่ยยกเก้าฟีาหัวใจไม่บวชด้วยฮะถูกคนรับไปอีกอาจารย์คนรับทิศทีอ่อนอยากเพลนทิศทีถู้องสั่งห้องกระจกกรอเลี่ยงเพืนะ่นเรนาตาเี่งก็สายด้วท้งกอท่างะอยากห็เ ต, เตียงให้พ่อแม่ครูว่าอาจารย์ เพิ่นวาขันบมเหตแมันทับเพิ่นเพราะบริสุทธสงคารวักเลยผู้น uh, ั้นมาทับเลยเพราะบสุสังาวักจนลงสัเอนพระเตี้ยพวกพวกพกอยู่เลเีองมันอนอดนิว่ะได้ยุดไปมูลุดมาได้โอกาสขอไปขออิบมาก่อ เออเฮ็ดทเฮ็ดกวงคนไหน้อทำไมเราคุยาเน่ตัวฮัเนี่ยเราทิศที่เราไปเฮ็ดเราได้บัวฮันี่ยอนนั้นแนี่กตัวคนักปฏิบัติเนี่ยรู้กับรถกงอันน่้นอนนั้นเนี่ยเฮ็ดทีเฮ็ดกลวงคนไหนทำไนขี้สอบขี้สอบขี้สอบกรสันสอบคนถึงวันนีไปได้รอครับท่านีของตัวนอ่เนาะ ค <c oughs> นเป็นคนขนาดกลางเนี่ที่งเล่าี่สี่้าเสนละอคนี่าเสน้นหรือ4ี่สิี่นี่ละสองข้าวมัน4ี่สิบแปดเส้นเนี่ยบุษงบุษงหาชิ้เส้นพอห้าแล้วก็ประเทศท่านเนี่ยกวดวว่าตัวได้เฮ็ดเห็บผู้บาอาจารโงสูงขนาดไหนน้องคนหนอย สูงว่าหัลลวกกายไปสูงขนาดไหนสูงขนาดนี See. See. ้ส่งเล่าไห่กวางขี้ศอกขี้ศอกขี้ศอกเอาสิเห็นเห็นีลูกโกงสองทางนี่เตียงที่มีลูกกงแน่เลยสูงเกิดประมาณเพราะกระบวนกปรอาบัดเขา่ลูกกงสองทางคือทั้งงันทั้งตีนนี่อยู่เรื่องเรื่องของผูมาเนี่ยเมื่อเนียเอาล่งให้กวัดต้องเข้าเนี่ยขนล่งมันไหลหมดมันเล็มท่อส่ หรือแม่รอยบาทถุนสูงขนาดนั้นต่ำ ข, ข, ขนาดนันกว้างขนาดนนกางนี่ให้ไปรบกวนแค่บ้านเขาเรืองใหมเด้อหรือเปล่ามันจะไปรบกวนแค่บ้านเขาเรืองใหมเด้อหอเปล่าบ่ม่บ่รบกวนรอกเขารอเพราวะว่าแล้วกุี่ครีงขนั้นี้ลูนกนี่แล้วเขนาน่อยกระลักสอดด้วยสอดด้วยสอดด้วยสอบด้วย แล้วนัน้แล้นี่ได้สอดอยเสามันกมนีแล้วค้างมันกัมี่แล้วไม่ยังสีบพรพันในนี่แปลงืนมั้อนะแต่ว่ากีบไหม่ห้องกีบเรื่องนู่ในวัดนไม่รู้อะไรท่นอ๋อทวัดพร้อมกันมั้งเหรอวะหลวงูมมหาครับปั๊บแบบขน้อยก็พร้อมมัดละฮะสายพันธุ์เป็น้างพวกขอน้อยสิ่ที่เป็นลูกมือพัน เี้ยเพิ่นเป็นผู้ซิ้วไงเพ่นเป็นผู้เข่าก็สั่งพวกขน่อยก็ซื้อแหนซอยเพื่อนั่อันช้อนแพร่ปูนะ่พพ่อเข่าแพร่งซือแรงดอกเขาสั่งก็ปีกใบเขาอย็นนี่ม่ยู่งกาั่ยำอีกเลยฮอวดว่าตัว้เฮ็ด้ผู้ว่าอาจารย์ะเอาโลกไปคมมูนแล้วนอั่เอาเขาไปเฮ็ดหน้าห่นหนี้ไปสั่งแม่ปลาหุ่นมาสั่ยูกัดจตาย เขาไม่ได้ปลาผมเพ่งเพ่งเพอยวอวตัวโตเลยเฮ็ดใส่คู่ว่าอาจารย์มาขวนมู ก, กวนเพื่อนแนี่ผู้เฝ้ า, าหน้าเขามี่นะตัวคุณไกลกันว่าอะไรพ่อบอกผู้เ้าหน้าเขามี่ตัก็เฝ้าเฮ็ดละวันว ไ, มไม่ามาเฝ้เเาก็เฝ้าเฮ็ดซอยผู้ซิ่วผู้ซิ่วมันโตผู้เขากามันโตเตียงเจียบท่งยงไงอะ่ะ พระเฮ็ดยุ่งแน่นานุว่ากระทบ ก, กเท้านูงอหล่ถ า, า, ามออก่าะบ้างลูกูมาวไปามออกไปยกนถ้าสแล้วาอ่างถามถาไปเขาเห็นเาาขาบว่าแกวคนละเฮ็ดอ่ะมันีะมีที่โตดวงเดียวแล้วก็เรขนนึงเรือประตองบอเรือคทึ่งขันนึงตบอันนึงตบสันอันนึงตบเอันนึงเท่านั้นะซิวซิวสองดวงากันนึง ถานออกมาเลยบ้านาออกมาเอาคืนเทิ้งเหรอตัดออกตัดออกตัดออกตัดออกก็สั่งนู่ดนู่ดนู่ดน่โหดก็สั่ออกมาเ่อยบาเนี่ยาเรื่องมาเรอยบาดเนี่ยนี่พูดนี่พูดตัดออกตัดออกตัดออกตัดออกก็สั่ตัวขอจับครับรลทท่าละม่ากูเด้อนี่ว่า่น มันกูรีเฮ็ดนาเสียเนี่กับไดาว่าสัง่งมันจะพ่อใจเฮ็ด บ, บ, บ, บ, บ, บ อ, อ, รบบอบ ห, ห, หรือมันจะสู่คอต่อคู่คู่บวกคว่บวแคบกับแม่นพ่อแม่คู่บวกอาารบวกบอกบัดห้าเฮ็ดแล้วสามารถที่บอกตัดมันแห้งเฮ็ดมันตัดหนักคันนึกไปยังสัง่งกับมันบ่ใอใส่อว่าันร่องเก่งแต่ได้ร่องเลก็กแต่ได้เ ล, ล, ลแล้วผู่วันร่องเออเพราะมูทั้งหลายกับหัวหังมีนี่ผมวพาจะคล้ององอกงบกับหัวเรียกเพราะเอามีแล้วอันห หานไปหาลูไปตัดเขาตัดเขาตัดเขาก้วงพดก้งพดสัมปันิ้ปลหัวละตไงเนาเราป็ิังหาขอหัวเขาได้ขงหัวจักบ่ลอะไรจักบ่ละรอะไรมจักข่อมิจักสิแมนมแมนเี่อว่ามจักจัอธิบายลวงโดอะไรหงปูมหาหมูฟังน โอ๊ยสองเพร่อนน้อยวะสั่งถ้ามันสัท่าอีดีมันโมนหนาบุตหนาบึงหรอกเฮ็ดบอกยังไงมันก็เฮ็ดวัดนะวาสั่นี่พลร่องพลทอดละมานคนน้อยได้ไหนวาเป็นเรื่องทดสอบได้ไนว่เพราะอะเขาใจนี่ก็สิอแรงโมเมนต์มามสันหัวตึงๆเข้าขอคอยไกลแหวงกัน่ะพลทอดละม่านทันอาจรย์บอกว่าั่ถ้ามันจริงอีดีมันก็ไ่เห็ดหนาประตูหัหายเฮ็ดยังไงมันก็เฮ็ดวดะสั่งที่นี่เรื่องเทศเท่านั้ บอกว่าโ อ, าโ อ, าโอาเรื่องนี้ละครแล้วไปหามขึ้นไปให้ห่ยหามขึ้นไปทึ่งหามขึ้นไปทึ่งอะไรเาหยอกจังเลยซุบซุยไรระดทำไมตายซาล่าสันเข้าไปรอว่อะไรได้แต่นบอกว่าสันเฮ้ยหลุดยังไงนไี้แตเ้าไปร่อเรียกโซ่เรียกปาเขาล้วไ ป, ไปอยู่ไปแบบนังนละบาลเนาเฮ้ยว่าเห็นหน้าบุญมาบึน ข้าไปเมี่ยนขีเมี่ยนตดพนม้นนีเรียาเพิ่มมุ้นนี่ข้าเมี่ยนแล้วากอบแล้วกอบแล้วนี่้าไปเ็ดทั้ทาังสีมันสีไหนบ่ทั้ทายดมเมียนบ่หรือบวมเมี่นมันสีไดนบ่ไหเฮ็ดสองเียงไปแล้วได้รับภูมอันนี้มือนี่ตอกตัดใช้มันดีเนะเนี่กรมาฐานเสมอไไกลกันมันไหนสั่นหันนียเพะว่าฟ้ากับนหันเนี่ เอาคำว่ า, าการก่อสร้างเ้อะนี่การก่อสร้ า, างเฝ้าสร้างเฝ้าแล้วเฝ้าเห็ดเฝ้าท้ำปติปทาของหลวงปู่มันข้าบํารีเขียนมาในชี่ว่าประวัติขเขียนร้ายๆมันจีเลียมท้อจังสเห็นไมลูกอยู่นด้ยู่ยัวัดก่บ่ได้ละเฝ้าเฮ็ดเฝ้ า, า, า, า, าแล้ว่ตัวพรบรีสั่งเสางโมกมูห้าออกดมูห้าเนี่ผู้ใดเด็ดสังกุฏิวิหารสาราแล้งไงเดีสั่งผู้ดังเปีเ้ยงเงียบเป้ยเงบเลยแกูกเธอสู้วนเนี่ย เพิอเ่อนเน่บอกเฮ็ดเพราะอยู่เลยนั่นแหละมันทั้งกล้จักหอมืองินไอนไหอทั้งกินนั่นแหละทั้งสน้นำหอนำอุ่นนำซากระย่างโรดิน่ะต้มสู้กันกินกระโจกกระเบด้แก้วเจีวต้งที่รักเฮ้กระโจกไหม สมัยสพันชิลล์แต e so nah um ่ที่ก่อก่ิพก่อทีเอ็ก่อทองกตัมาไพ่ห้านี่ยตัมาไพห้าให้ยินใช้กลิ่นทุกคพนชุกมนทำุ่คนชุ่มนช่วงมือหนีม่ห้าวว่ามันแตกมือและชิบน้วยบ่ตัวหูอือเสียงน้าตาท้ายนั่นน่านจ้งสิทธิพอเทียหนึ่งอ่โกโก้เก๊มือหนึ่งนั่นเนี่ยสิทธิพอเทียงเลยไปเฮ็ดตะขอวัดรอ ถามภาวน่าว่าจควบก็ะให้หลวงปู่มันบันี้นัของอยังไงเร่เพื่อภาวน่าไพ่ทดสอบพุทรธก็พุโทสอบอันนั้นก็เอานัง่งเพราะยังมีภาวน่าทั้งสวมมดมนต์โมเดเกียวทั้งสวม่มนต์ของไฟของมันสวดเอาจะ ก, กระทบกระทืบกันจะถว่าอวดเสียงิว่ามันบ่น่นนนาอวดเสียงหลอกคนหอกสิ ท้ายๆเลยแต่ผู้โทษเอาแต่ผู้โทษอัน้โทษอัน้าผูทษผู้โทษเงี้ยเนี่ยมัมันสวดมนต์หมดพลังสั่งผู้บริกรรมเงี้ยผู้บริกรรมว่าทุกๆทุกอุ่นนียมันมันสวดมนต์หมดเสียห่อยบนมาสุ่งกันสวดมนต์เนี่ยุ่มกันสวดมนต์อ่งจ้มือเขาบ้านาแล้วก็มือออกบานสาเขาบ้านสามือเมือมื่อเขาบรานาก็สุ่มแ่ะก็สวดมนต์ก็วดริ้วมะเก๋ออกบ้านาก็สวดมนต์ วันมาคะวันวิสาขะวันหลวงอุโบสถตอนนั้นเหลือดั้งแต่กองทัยของมันร่วมกันนั่งพระวันหน้ากับอมคนีนั่นปฏิปทาของร้ปงู่มันผู้ใต้ก็นั่งเง่อนสังพลิงนั่งเงื่อนสินั่งเันแถวกันเรื่องนั่นสิแถวกันเรี่องนี่แถวกันมาเงสิขินั่งนี่สแล้วรีดตะเกียงไว้รีดตะเกียงไว้ พอสมควหรอภาวนาะวะเอาละเอาเบอะมั้าคู้าาวนายนเนี่เขาหันออกผ้าวานาเนี่ถ <ทำ S 1> ือว่าเอาละันไหนนั่นถ้าจิตทุกเขาร่วมยนเน่นี่ปฏิปทนี่ยโมเมนีหลวงปู่หมมาเห็นไหมนี่ถ้าเป็นคนรัตนยุคลาตีนันเนี่ยเข้ามายตัวไดนในเรื่องยุควันนักขืนคือเดี๋ยวว่ายุคก่อนบุเหายตัวไดยุควันนักขืนเขาว่าหายหตัวไดยุคสองขวัญชี้เแต่ที่แต่แต่เก้าเิก้ิเอกสองกถึง มั น, นาภาพนี่มันเป็นเรื่องลี้ยงผู้บันเลยกลกาวเรื่องลงพว่วเรื่อง ห, úng, ห úng ุงหุงต้มพระทรงะเสร์นเน่นครั้งพระพุทธเจ้าเขาแพงแ้งะไรืองเวสารีสุดบินทบาดพระพอ่อก็เลยมีหงุหงมีเรื่องหุงเรื่องหุงหงต้มะั แคห้าวเนี้ยวันไหนงบประมาณหลายๆหงมตมหอวยอากาศดีปะเนี้ยท่านในจ้าเกลือเนี่ยเราอากาศก็ดีเขาบวาละแม่นว่านั่พเนี่ยคนก็ไม่แน้อ่างสมัยสวรรค์เนี่ยเจ้าไปหาหนามมุงมุงลูกุติเขาบ่าไม่อยากขายแล้รสิเอาดอกกุ้งวันนอว่าไรวะสัมมันเบนก็รือเจ้าอยู่อันนี้ก็ได้ หลว่มันสมัยหลวงพ่มันสี่ก็ะวยเขาโมี่นน้มเขามากินว่าท่านเขานอนนําทงให้ทงหน้าก็านเลยนัแหละสมือเนี่เขายุยังไหนขี่ยังไหนนอนอยังไหนต้องจับเขาเขาจะปอดไถ่หรือบ่ปอดไถ่ต้องเบิ่งเขาเพราะี่โจรผู้ร้ายี่รายเนี่บยบ่เคยไปเกาแม้เขาก็ยุไกรได้พุ่นฟากบ้านฟากเมืองกนีได้ได้สมื่อนี่ยว่ารักษาเขากขบ่อะไรรจมผู้ร้ายรายเนี่ยมันเป็นกุศัล ตอนเาสอนในเนี้ยมันซำหนักส่วนแมเขาหัวไส้เนี่ยมันจะเป็นแม่ขาวกับบานเขาบดเนี่ยโดยนแม่ขาวทั้งอื้นมาปนเข้ามาแต่เพราะเนี้ยพี่พน้ อ, องเขากระรักษาของเขาเองว่ามันแขกว่าถ้าไก่ใช่จะอืนมากภาวนาสั่งโซนภาวนาให้นจิตร่วมภาวนาสั่งกลางภาวนาหเห็นสั้งขาและกองถุภาวนาสั่งใาย เพราะว่านั่นนาลงกรนั่นเพื่อจะให้นายทุกนายทุกกําไโค่นลงเฉ้ากงก้อนเดียวกันนายทุกกำนโรคโกรธลงเฉพาะก้อนเดียวกันของสัต ว, ว์อรรถรมันทีด่ดเอียงมาสั่งเพ่ลองสั่ไปทั้งใเขานกนึู่เป็นหอนนึ่งเสียงเพวกีเลวทังห้าทั้งหลายว่าห้องกี่เหลวอียงมาสั่งไม่ลองลยงงงงลมันมี่ต่กี่เหลวเข้าไปเขาหัก มันสีไหวบอกว่าสันว์แพวกเขาฮัตเข้ากับสีไดองอีกย่งว่าสัตว์ันกินเลสเท่าบมดพวกเขาสร้างเข้ากับสีแดเอีกย่งเข้าสีเสียอีกย่งสันก่นเลสเท่าโบไม่ร้ายว่าสัตว์วัดต่อไปไปแน่นนว่นสัตวไปทางไหน ย, ยู้ทางไหกจะสร้างในทิศทักษีนี่ร้องสิเพื่อพ้อนทุกข์ในวัฏงสารเท่า น, น, น, นั้นไปก็จ้องไปเถิดยู้ไปจ้องยู้เถิดว่าันยูจนหอดมือมันตาย็ะยูเ้เถ่ะ ที่ไปจะทอดร่าตายก็ไปนเถอะคนไปเพื่อละกิเลสก็สั่นถ้าไปเนื่ออื่นอะไรฮาลาบฮาวะท้าสรรสริญล่ะไปนี้อันนั้นไปนี้อันนี้เพื่อแสวงอะนอันนี้บ้ถือก็สั่งพระพธิเกลคนวอกสั่งอะในมหาขันก็มีในบระพุทธศาสนานาก็มีคนเห่าจิตใจเู้อได้ยสันนยมันก็ยืนยันสันนั่นล่ะว่ามันถือมันถืออันนึงมันกับผิดอันนึง เข้าเื้ากันเขายืนยันอันนึงว่าถืออันนึงก่อนพิดอันนึงว่าน่ะเอางั้นว่าถือว่าิดหรือแต่พระรามจำพวกเดียวมันพ้นไปจากข้มถือข้อพิดแล้วเพราะอนนีผิดพูดเรื่องบาเพิ้นกับว่าเป็นบาพูดเรื่องบุญพิ้นกับว่เป็นบุญพูดเรื่องสาสตร์กเพิ้นกับว่าทิดแต่พ้นกับว่าทิศแต่ศาสตร์กรเข้ามี่หุกมี่เมียยุ่งสั่นยังสี่มีเอาสวยห้างามผัวเขาสวยห้างามเออนั่ง ซื้อนี <red me in ministry> ่ยคอดีทรัพย์สินท I mean, like ั oh ้งนั้นบริวารของเราไม่ยังสั่นทุกที่เพิ่นกระบอกก็ซื้อเพิ่นบ่ติดต่ว่าสั่นมูห่อเนี่มันบ่อว่ามันกระติดอยู่อยู่ว่ายังไงสันมันบ่อว่าทั้งนอกแลมันหางว่าอยู่ท้งในเหมือมพืได้ปากหรเปานเา่งปากอยู่ทั้งในมันม่าออกปาก็ซือห่ออยู่วัดมือคนห่อไม่อย่ว่ามันหางออกปากมือปากออกปากอ่นเราอยู่วัดมือม่อย่าน่ ตแหงอ๋รู้แม่หมอออกยุบัดหมื่นจมยุบัดหมื่นมันทำให้ออกปากแม่หบอบ้นึกก็นึกบ้านึกก็นึกแม่หมอนั่นใครบอกขุนศรีว่ารู้กันพระวนาพุทโธ่พุทโธ่พระพ่ามาเกิดมาแก่มาแก่มาตายพุทโธ่พพามาผูกเว่นผูกไข่เท่าทรมวัดเทาพรทธคือมูตัวแลวเทาทรวัดน์ธมวัดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วห้อทําวัดน์ถ้อีกไงถ้ำหลอนล้วนเพราะธวัดน์เพาท่าแต่โลกธาตุแสัมฮารสิบว่ามีเวรไม่ไพ่ไอ้สัตว์ไอหัวที่กแก้กันเลี้ยงสุกมองเอาสัตว์ถ้ำวัดสัดว์ที่รษนุ่น ม, มันบกพิดตบ่ไอ้สัตวบกพิดแล้วห้อทําวัดน์ธรรมะเนี่ยธรรวัดทําำอันมีเวรไม่ไพ่เนี่ยยามห่อเกี้ยวหอป่วยมาหลาย ห, ายหวายยัวใจเอยคุกข า, ก า, า, กานี่คือติบวาหเาไอ้สัต พอดหลดเก่าหลอดกรบอกมาไดเคดื่อนเ้สงให้วัดตาสงสารมากนี่ย่ามีเลื่อนในไพ่ับผู้ขาเด้อผู้ขาไดี๋ อ, อะไรเื่ออยู่ผู้ข่าป่วยมาหลายๆสิขอทำวัดชัวทั้งไตโรคธาตุา ด, ด้วยส่ห้าขบท่อมนี้บ่บรรเทาห้าข้อหลบทอมันบ่นน ม, นมี เ, นเม่นในไพ่บ่บรรเทาจิตไปวก็ตายบ่บ่รเทาจิตไปวายปูบ่บรรเท า, าสิตไปว้สีกรักเกลี่ยม เท้าวายถ้าอันบ่มีเว้นไมไพ่นเท้เาก็พิกกีพี่ยี่จะหน้าไปยังสาะบอกเออไม่เห็นบ่หรอถึงงตายอะก็รอดเพาเป็นไม่เป็นหาหัสกรทั่งไตรัวรกระฐาน ร, าากก ร, าารืดจุกเมื่อเพราะปฏิจจารวิภัณฑยึดจุกมื่อทําวัดอันบ่มีเว้นไมไพ่ถ้อันบ่มีเว้ น, นไพ่นับทำจํานงด้วยจิตและกายวายชา คำรมาคือคู่นากรสวดชอบสาธรรุดจจดวงประทีศชัดชวานสองสัตว์สันดาลสว่างกระจ่างใจมนตษย์ทำใดนับโดยมรรคผลเป็นแปดเพิ่งยนต์และกล่ากับทั้งนั้นลูกพาสมยาโรคอุดรพิสดารอเลิกโอฬารที่สุดพิเศษชุดใส ม, มีอยู่ในรัชกาลที่หกสงในสาวกสาสดา รับปฏิบัติมาแต่องค์สมเด็จพระกวันเห็นแจ้งจะตุ้ศักดิ์เสร็จบันลุทางที่อันระงับระดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตับไปปัญญาผ่องใสสะอาดและปราดมัวหมองเหมอหือนางทางทาสืสอปองบอมีลำพองด้วยกายระว า, จาใจใจเป็นเนื้อนาบุญอันไทยสานแก่โลกไทยและเกิดมีบุญบุญผลสมยาเอารถทศพมีคุณอนุนปะเนศจะนับเลือตา ข้าพอนกหนพระสาราพกทรงคุณาลุกคุณประดุจจะลำวันด้วยเดชบุญค่าอภิวันพระใและอันอุดมดิเดก จ, จะรับใสจงช่วยกระจัจจพลายอันตร า, ายใดจงกลับระ ด, ดับจงดับและกลับเสื่อมสูญทศมืประ ท, ง, ระทงสองสูงมือหิมิดอมซอดก็อย่างนงเฉพาะนักเียน ม, มันดื้อไปถึงปานนี้อ เมื่อไหวพระบบบบพาะแล้วถึงคุณพระคือพธรรมประสงค์คำว่าเลิกก็ตะโตดุบบมบมบมบมมันของของหนักอันนั้นบอเลยแล้วแต่ว่าไหนหนัเ <nurture> ข <narration> ้า <Bieber> น anyway, ี่เขาเกี่ยมตัวตายแล้วเสมอนี่อ่า ข้าที่ตายเกียมตัวตายตัวตายถ้าพอมาน้าเดี๋ยวเดี๋ยวข้า่นมองตายแล้วเดี๋ยวนี้ใค่ว่ามีวิลเลียมกระทบกระเทือนให้ขา้าหนีจากบนนี้ข้าวบนนี้เลย้าวที่ตายนี่ข้าฝากครบเลยต่อพระพุพะทธธรรมประสงแล้วต่อพรอินธิพระพุทธพะยมพระการเจ้าตุลกบาลทั้งสี่าาแล้วข้าฝากครไว้แล่ะถากว่าบุญวาสนาะ นี่ไงนี่บรรดานี่ภูมาเผาขันบุญวดัดชนะบุญนี่ไงควายบันคอีแห่งอี ก, กาตลอดนอนมาจ้าอาสันหมูหมาห่นเลอสัแต่ชวนเป็นท่าบุญหารู้ไ่มท่ า, าบุญหานั่นบรารกา้าอันกรมนาน ล, ล่องเราโอ้เรากกสิตายคือเพลินนะว่าันก็เรียกว่าท่าบุญหาโรด บอแทบบอกขอผู네้ไรขอ้าขอผ้่เพนกรรมเฮ็ดรเรียบร้อยปั๊ดเลยเรื่อเนี้ยจะต้องตั้นหัวลอยชิบหาผมเห็นจสังจึงมาถวิต๊กน้ำอันนี้โอ้ยต๊กน้ำอันนี้เลยเราผลัก้นพระเจ้ามหาเทพเท่าหาอุบายเทเท่าที่เป็นกังวลนำเงินนข้ามอะยังก็เรากขีกว่าสั่ง อ้าเงินค้ามไ่ได้เป็นตะวันในส่วนตัวเเขาหายมาใส่บะถือร็อกมันกระ บ, บาตายว่าสั่นเขาใส่มาเขาหายมาใส่ของเขาบะถือล็อกมันกระบาบตายว้สั่นกับเงินพระเจ้าบขใ่ว้เงินเท่าไั่นเขาเห็นแกนาคาซื้อมาพระเจ้าเขาหายมาสันา่นห้อกระตองบางเงิตัวสั่บ๊วยิงเหตุยังไง สมมติเรามี ก, าก้าวสามสี่รเบิงเห็นอยางนั้นบบน่ไล่ลำรายกายรเบิงไม่ก็ทับถมตายที่เดี๋ยวเาก็หาว่าเจ้าวัดเอาให้ลูกค้านกระช้ามัดจะตตัวน้เหตุสมผลไหมนี่อันนี้สาราอังนี้มันกวาสามสี่ล้านไปแล้วเนี่ยจะปาทีไปก็ปถึง4สี่แสนหาแสนอาจังสิปจังสิบบาทได้พื่นที่ถึงล้านสมมติเนี่ อับปากทีมันคือร อ, องสัสาาถือว่าสาราพระเจ้าสาราก็แล้วดอกคนุษยถือว่าสาราโตมันก็ยากเงี้ยอันมู้นี้มู้นี้ก็ถือว่าของพระองค์เจ้าสารา ก, ก็ะแล้วดอวาาาดวกมู้ น, น, น, นี้มูน้นี้มูน้นี้มืน้ม น, นี้ถือว่าของเจ้าขอมกปงง็ปึงง้งหนักปึ้งหนักมนต้องห้องดังจ้างออกเถเขาไม่ท้พักแนี้มันของพระพุทธเจ้ามดเงี้ยหม่ามือนี่ถือว่า ม, มากูเบอก ก็เขาเห็นแก่นาพระพุทธพระธรรมาระสงค์ก็เอามาให้ปัดใจฟีกี่ว่ามินธบเทนารสนะเทพครัเขาเห็นแก่นาค่ะคือพระพุทธพระธรรมประสงค์ก็เอามาให้คณะมาให้เนี่ยผลว่าของกูของกูของกูวันพรสิแมีนอืมทุกขารวมสันกุิีกูสารากูอยู่ว่าสันบอกร้อนสันก็ขี่ออกดักแล้วสังบอกมากินขีกูกับสังบอ ไม่นบสันให้มากินกระหวงมาไปกินกระหวงไม่สีได้บสันเชื่อตีมา้าจะทำมาคีออก์อะไราวนาไ้คนถุกแม่วาตาต้องสารนั่นนึกสมว่าเกิดอุปสรรคนั่นละไม่เป็นเหตุเบื่อหน่ายว่าตาต้องสารอยู่นี่ฉันว่าม่มีอุปสรรคกพระกานั่ใจตวัวละคนนั่อือ นี่เก็ดนี่ปวดดูการท่ามันขึ้นไนะมันจะมานอนงใจตัวอืมคว่าโกนโกกโกที่คือกาลนาข่งผมพระพุทธเจ้าตัศลูไปว่างฐานลงแม่น้แม่น้าสลอดแม่แม่น้ำเนเน่แม่น้ำสลารมันลึกกึกไหลขึ้นเนือโอ้หมอว่านเนี่ยเมาตัดผู้นึงตัศลูมือหนีเก็มาผู้หนึ่งมืยหว่านตาห้างนตันเต็พระพุทธเจ้ากัตตะโก มันยังวางหมูว่านอยู่หมูนองหงกระตื้นว่านหมูว่านกับมาตร์ัพผู้หนึ่งมือนี่กับมาตัพผู้อื่นี่หละข้าวสีน้อนนี่คือการอะไรนะว่าในนอนเด้เองสันว่าพอพทธเจ้าองค์ไหนเขามาท้าคําำสอนอันเดียวกันนี่แอละคนละอันของแหวนพวกนี่พวปราชญ์นาวะขอขอพระพุทธเจ้าองค์นั้นขอพระพุทธเจ้าองค์นี้ผู้ขาวปราชนาเนีพพบพอโคตรธมะแล้วกับ พวกประพุเจ้าทั้งหลายคือกันมิเป็นข้าสอนอันเดียวกันผู้ใดเห็นท่ามู้นั้นเห็นเล่าด้นั่นอ๋อคาว่าพุทโธเนี่ยศาสนาพุทธจะเรียกว่าวาพุทโธนะพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างๆคือกันอันเดีวแตว่าท่าโมเนี่ยศาสนาพุทธพระโรมเนี่ยกับาโมเน่พระพุทธเจ้าทั้งหลายคือกันอันเดียัมากก็ลอยโกดพระพุทธเจ้าสังโคก็คือกันอันนี้คือกันมัดนะถือว่าเป็นอันเดียวกันขึ้นหารองไส้นี่เลย บรอบปัดนะพระพุทธเจ้าองค์นั้นองค TA in ์นี <esta wn aden> ้ได้เหาอยองค์บ่คคนขอยองค์คทุกนวตาท้งสามน่พระพุทธเจ้าองค์นั้ละนพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ก็ไ่ร่วมมาองค์เดียวกันคือองค์พันิพาณให้คทุกนาวตาท้งสามยามาเกิดแก้แ็บตายอีกนั่นละองค์เดียวกันมี่อมั่างสอนหาบนเดียวกันทีนีพันพระองค์ล้านพระองค์กระ้าก็มีค้อมช่างสอนลงไปบ่นหันชิวสุศุดยุบบ่นหันขี้พระพุทธเจ้าองสั่งลรกฏว่า จะเกิดพร้อมพระศรียรเมตไตเนี้ยนั่นกันมันมีอายุยืดแปดมือนั่นแปดมือก็ตายพเปลนเบาะก็ตายเปลนเก้าอันนีน้อบอกเถอะในที่ว่านี่ไม่ได้ประมาทเด้นี่นีว่ากไม้ผู้สา่งบาลมนีแกก่ามาแล้วมันต้องไปมันต้องไปยังสัน่นผู้ยังอ่อนนอิ้วมันจะต้องวังหนา้าวังหลังหนายว่านตัววังสีเรียรมีต่ไตปวดตัวแม่นอนคาดมาหนิแม่นอน เราไม่จับงอไปหาเจเล็กงอเล็กมันคลิปหายไปว่าบอกโคตรเที่ยงโคตสร้างพระพุทธเจ้าองค์ไหองค์ไหนก็มาหามเมด่อ่ามันหามเจ้าพระโคตรธรมะพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็มาสรงมาส่งตีเตียนเมดบ่มันสือมาตีเตียนเจ้พระโคตรอรมะมันถือมาสอนเจ้พระโคตรธรมะพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์มาสอนเมือป่งข้ามกันเพ่ ก็เป็นคำแยกกันเลยมาตานั้นยังม่หนตั้งข้าพเจ้าถือมาตั้งมาตานี่บริีพระพุทธเจ้าทั้งหลายพุทธบัญญัติกอนนั่นเนียมโหสถเนี่ยตั้งข้าพเจ้าถือมาตั้งพระองค์เจ้าองค์ที่หลวงปแ่้ว่ยโม่นี่มสลดบนเราบริวารมาซ้าเดียวกัเอโรถพ่อหน้าภูโท หลวพออาณพุทธเถมีก้ก็เรื่องขึ้นเป็นประสดาบันพอเป็นประโสดาบันแล้วก็มองเห็นทนทางละ่ะมองเห็นทนทางคนทุกข์นะตาสงสารละ่ะมองเห็นฟังฟังอมบรุกบกโบกหลงพุทธพระสกาข้ามี่พุทธพระอาาข้ามี่พุทธพระะหัน เป็นผู้เบิกบานแล้วอย่างเ็มที่พรมีโลกมีคนมีหลงพุทโธพระสกทาฆ่ามี away, ี่งเป็นพุทโธเพรามีราคขะโทษสะพุทโธก็สรดาวันนั่นเป็นพุทโธที่มีราคะโทษสะอยู่โมหะอยู่แั้บะถึงไปกับมรหคเพามันเบาแล้วมันปิดแล้วไม่สามารถไปมรรคได้รากขะโทษสะโมหะของมัสดาวันรากขะโทษสะโมหะ ของพวกตั้กันนั่นเง่าลิปมรรคนล่ะสัตย์เดชสารเป็นสุรกายย่างสูงกับเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์าสัโดนเหาที่พกที่แตายไปกัไปเป็นเพศเป็นสีดำ่าอะล่ะมองสัตว์โลกขทถังพว่มเพราะโสดาวันยืนกรสร้างนอนกระร้างนั่งกระตามไหลตายกะตามก็ต้องไปเกิดในสุสติโลกว่หาว่าสิสิดต่างทาต่างทางเพราะมันขาดหมดเล ควบเวดเดียวกบขามหร่สินหาขาด ส, สินเหล่าเม้ออยากขาดว่าเส้นหากระบรกนบุยบน้ยหรือบ่มีขงเนของขึ้นไปรับน้ามูก็ไปรับเพื่อรักษาสังคมในส่วนใหญ่มืเรับจะไปแทะพวขาดไปแสบ่ถือศาสดราอื่นบ่ผลบ่ปปเปร่บ่ถือเอาผ้ามาผลบ่เปร่เอามีายผุแขม มออขคนเอ้นถาคนตะปงข้นให้ก่ อ, อ, อยมาข้นม่มาก่๋ยกวยทอดมือนี่ก็ไ่ได้เอื้นดาวันไ่ได้เห็นั่งซไ่ได้ตบไก่ไปเลี้ยงผีไก่บอกตบไก่ไปเลี้ยงผี่มผะมันข้าไก่ด้วันข้ากไก่มันอ่อนตะซออร เ, เ, าาอเอรียกว่าน้ำท่วมเนาะสันมงนพระสาวันไ่ได้เั่งซเดี๋ยวสันว เอาพระพุทพระธรรมพระสง์เลียงเข่าร้ายปเนื้อมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งพระพุทพระธรรมระสงฆ์คุณนพระพพระธรรมพระสง์เลียงเขาอย่างน้าเ่ยงอาหารการกินที่อยู่ที่วอาศัยตลอดถึงคาพระโสดาวันคาพระสกทาคานี้คาพระหน้าคาหี้คาพระละหันองค์หนึ่งคาพระโสดาวันองค์นึงซับเต็มใจโลกธาตุจะมาซื้อได้ปะซื้อไปคาไม่ได้ได้เ้ามานั่นสกทาคานี้หน้าคาีอาหารมันแหงคับไปอีกแล้ว ห้องขไม่อย่างไรไมไ่ตั้งใจปฏิบัติตอนนี้วันห้องจักข้างล่ะการเทศว่าสําคัญควมเข้ารถสําคัญที่สุดคันเขา้าขันเขาเขา้ารถเข้านี่ยห้องิวาแห้งตานใี้เขาเขากับบัถือเขากรยิบนีซั่าเขายิงเข้ารถซั่มควมเขา้ขารถของเขาบ า, างีเนีะยลอก หมวยมอยแซนดีออยกับปันหน้าง่ปันเกาไฮกับปั่นไม่ไล่ตี น, นอ่เหมือนมมันทานม่หมถือกันเนาะว่าเนสัพันุวัาถาถือกันเนาะว่าจังไรมันก็เป็น้พยงขันถาม่ถือกันแต่พอเราเห็นเนี่ยคอพระท่น า, า, นนนทานออกเป็นตรจักกะพวกพิเกเลสเนาะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็น น, นัสัอาหารมันก็เป็นัั น่ยนักเทศมันม่มีมันอยู่สแอานักเทศเอานักเทศมันเตรียมเพนซ่าเพนดินเรื่อยเสมอนี่เหลือไปใส่เป็นนักเทศมัดเดียวเนี่ยไหนว่าของท่านนี่นี่ก็บม่นนักเทศนี่ผมคนเดียฟันหนังเหนื่อยกระดูกเกี่ยวนกระดูกมากหัวใจปลาพังผืดแต่ปลอดใส่ใส่ไส่น่อยอาหารใหม่อาหารเก่ามุนี้มีแต่นักเทศมัดดีเสดงเงือกเงือ like. ม <that> ันค <c oughs> ้นน้ำตาปริมาน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ข้อน้ำมดมุนี้มีแต่นักเทศมัดลมพัดขึ้นบนบนลมลงล่างต่ำลมในท่องลมในทส้นลมพัดไปตับตัวลมพั้ใจเข้า ลมหายใจออกมือนี่มิเต็นนักเทศทั้งนัง้นไฟที่ยังกายให้อบอุญไฟที่ยังางให้ทึุดโทมไฟที่ยังางให้ตควกวายไฟที่พออหานหย่อยถ้าไฟดินดินน้าฝนไฟร่ ม, มนี่แม่นักเทศในส่วนลูกคันยในรูกพระโลกส่วนเวทชนาธิ ญ, ญาสังขารวิ ญ, ญญาณกัแม่ น, นักเทศเทศจะมีกัเวทึขึ้นบุลุเลยบุลุษระมะเลยทองเ้าป่วยห้าเน่าขีเต็มทองี้นี่ครับนักเทศทั้งนั้นแหไฟจฟังหรือว่ฟังเมันกาเป็นเรื่องของผู้ฟัง นักเทศบดอึดเดี่นีกกน dan Dance, น่นักเทศนักปฏิบัติ อ, อ life, ดึดเดียวเนี่ยเียวองคัตวอรรว่าอันนี้กางทุกครั้งอาณตากับเป็นของกิ่งยูมกับแงคื่นอจตไพที่ฟังอจะไพรตีพิจนาใบไม้นี่เป็นนักเทศบดแต่มันโรนมันเหลืองมอกมันเกิดว่าเพื่อโรนทั้งนั้นแ่ะต้นไม้ต้นไหนมวกนี้เกิดขึ้นม่แปรปวนดินลงไปเป็นดินน้ามไปเป็นหน้าไฟลงไปเป็นไฟร่มลงไปเป็นรมมันเป็นนักเทศมดเอาไงอรรถไไต่ลกระฐานกรรมฐานฐานะแปลว่าทีต่างู ต่างรู้แห้งดินก็กรรมฐานดินต่างรู้แห้งน้ำกรรมฐานน้ำตัางรู่แหงไฟกรรมฐานไฟต่างรู้แห้งลมกรรมฐานลมต่างรู่แห้งวิางราคะกรรมฐานวิาาราคะกรรมฐานที่ม่ม่รูปไม่นาม้ามันมีบอกเขหน่อยนะครับพระอนุนออกราบนพระองค์เจ้ามันมีเนี้ยวิราะคะควมสิ่นกำหนดเนี้ย น, นี่โลดเถ้าขมดับตัณหาเนี้ย น, นะรักรรมฐานอันมัน ม, ม่รูปมัไม่นม้ำพระพุทธเจ้าสอนนครับ ในไตโลกธะฐานในถือว่เป็นกรรมฐานมือห้องผมโบ้งจักกรรมฐานพระนรัสสีแทพระกรรมฐานจะหันเพื่อนพออันตจักไม่หยังว่ามันเ็กรรมฐานราแก้เก็บตายก็ไ่ย่เลยหันผคขนยาฟันก็ไม่ยุ่งเหันพุ่นกรรมฐานเนี่เพ่นบอกว่าอันตัวจักไม่หยังว่ามันข้อวงต่อเมมันกรรมฐานก็กันด้วย ไปหากรรมะพกรรมฐานที่ไปหาที่ฟส่สัตว์ละหายง่ยผมคนเรียกฟั น, นเนืองเอ็กระดูกของตัวอันนี้แนในสํา น, นอกว่านทองอันนน้สั้นที่สังกันสั้นๆกันมันก็เป็นเรื่องนึงหรอือว่าสั้นปรลมัดเก๋ า, าห้หามูจักไม่สั้นถ้าสุดก็าห้หามูจักไหมั้นประละมัดก็มัดเขามาในตัวเาหน่อยน่กายเขาหน่ยสั้นกับบุค้นภายนอกเหมนเข้ากับหูจักอันนั้นก็เป็นสัน้นเข้าปฏิเสธเสียบได้อันนั้นวาดพวกเขาพระเจ้ารพระนกกับพระถกอ อันัเป็นทุกท ธ, ธาทิฏฐานวัดกัโมมันโนวัดนี่เด้อการคิดใจบ่มีมันจะพาไปได้บอกไปวัดเลอันนี้ก็คิดเป็นหัว้อาหารตัวหนํางถ้าก็มีอันเดียวกมี่คอเดียวชิ้นหากงกัมมี่คอเดียวยู่ในีคิดทาชิ้นแตะก็มี่อเดียวยุทธ์คนคิดทำเข้าไปนี่คิดทังทีเสียเขานบมืดจะมืดปนหอนนี่ฮะเขาหามไปพกอใจพ่อใจยินดีปฏิวัติเพื่อคนทุกข์วัตาตา ตายแก็ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดรมะ ก, ก็ไม่ห่ใท่องาสมุทรทร่องก็เรื่ปัจจุบันหร อ, อกทองนอรรถอกพรกรออไไอุออาขี่ไปไใส่หัมมันเออเอาขีไปใส่หัมมันมันนีซะคนจากไรมันว่ายืนยุดหน้าบ้านเนี่ยเขาว่าพระองค์เจ้าห่อเอาขีง่วนไปไกลห้มันสูเอาสันผ่านใส่ตะภาหัมันน่ะตอนนั้นพระองค์เจ้าเนียเสียสัละได้มาถึนพระพทุทธเจออ้สาสวรรค์่าสร้างกระสับกระสับ อันเท่านี้ยังพอแม่้าคเกินหอยเห็นปูก็จะไปถื้อตนซือโตัวยังก็หรอกมึงของสันว่าอันเพิ่นชาติกระสาแทกเขากึ้นาว่าออกชีไปแชบานให้อืมออกชิงอาชิ้นขออกสันผ่าแ่ามันจะให้มายืนยวดพ่นจังไรพ่นจังให้พ่นของหลอนมาอยู่เน้ในบานมันขีแสดงมาแต่เาว่ายิไปจ้างมันนี้นะมาแ่าตกระสันแทรพระองค์เกายังอดได้นี่เจอในมาสอนมูอเฮาขสั่า นั่นมอเห็นเสื่อเมเงี่ยงบหรขึ้นไปทํามานอดบาทเดียวทั้งตัวเราก็ลงมาไ่รู้ว่าได้บอกอะไรด้วยลูกพัวสาวขึ้นประเทศด้วยว่าอะไรลูกหลานเลยลถ้ากันเ็ดไปปฏิวัติไปมันบัพพนนอนท่าไปเพราะจเป็นนิสัย เอ่วา่างล <aw> ่มไปเลยยูซื้สัตว์เอว่างสั้บอกว่าร้ายเราลพูุเสาวลูบุมันนี่เอาอนีเอาจนทั้งพิษตั้งขิงมันลาบกบวยอย่างนนุ่มง่อยหมดละ่นนก็บบุกลางมมู่นอันยะลพบุญมันลพบุษสาวน่พเอาปละนี่ยไปร้านเลยอาหาบุพลเพราะว่ามันเปิดนิสัยมันเกิดเป็นมนุษย์น้ำเพลิน เอาวางไปโลดโน้องฟูเสาเฮ้ยแล้วอะไก็เรากะเจียดเรามันเป็นนิสัยมันเป็นนิสัยเอาไว้เอามัน่นตัวนี้คือกานอะคันเดียวว่อี้ยงหมดเริ่มตัวเริม ต, ตัวเขาว่างร้อนลบปูมันลบปูมหากราให้โตอยู่อันพี่บ้าตัวนี้เหท่น ม, นมันว่องอย่างเมีนวดนะกูของเบ้แตงแตงมันห่องร้อนโผล่เลยส่นเว่านน แลาวพูดว่าฮะบัวว่าก็เให้ตัวจะบอกขนย่งองนี้เลยห่ะเขาพูดจกัก่อนเป็นชิดท่มีคู่ได้ไหะครับขนย่องนี้เด้ย่องรับลังนั่งไปนีลงพ่อบว่าเขาพูจกักรอคนมาลมมาเสียงมเม่าม่เด้เป็นชิดท่มีคู่เด้ <c oughs> เป็นลูกทิมีพรอมีแม่เป็นชิดท่มีคู่เา่าเป็นชิดต่ำอตโนมัติเนี่นั่งนัง่งหลวงพออกว่งเพื่อนพยายามเลยนั่ง นั่นประเด็นท่ยาามบอกก็มู้มันบอกหลายบบข้าผู้ขับไปยกผู้ข่าผู้ข่าแลยผ้าวนอาน้อยเดียวเท่าน่ะบอนี้นีจากลมผู้ข่าทสิพี่จะหน้าเอยงผู้ข่ากับบนี้จากล้มพระซมันเป็นว่าเสียขาดพจะหนาผโทกับบนี้จากลมพีจะหาทุกข์กับบอนี้จากลมพี่จหน้าอนัตตาบมันใส่บอลมันมุคคนกับบนี้จากลมอันนี้มิดนมา่ยมันเกิดมาบางพรซา มันเกิดแล้วมันถึงรับข้าบ่อเดี๋ว้าวนานาหมันเกิดขึบ่อกับบ่อ้าววานาห์มันรับคือกัีเยวโอ้โหสัตวน่าเมื่อไงเกิดเองมันถึงรับเองมันข้ากระโดดตามเป็นจริงของมั่น่าแก่ด้วย้าแตงเหรมันแก่บ่เก็บข้าแตงเหมันเก็บบ่ตายขาแตงหรมันตายบ่าบ่อแตงเนีมันเป็่อนัวมั่นใช่ไหมแม่ก็บฤทยาไหยาไวยาไยาไหวออยไม่อหวเคยเด็กน่อยยาไม่ไอยมันก็บื้องยูนิฟาเนี่ยฮนี่ยาไปยาวาก็ตายซะามดเนี่ยค่ามเนี้ยิน้อน ใ ห, นนให้กินขนอกเอาขนอกไปกินให้อยากกินไอเติมก็เอาอไอเติมไปกินเนือนี่นก็ตายซะเนีเพียง่ายเก็บตลาดหรเก็บขงจงโปงด้วยฮะอาศัยกระไรวันหรอะนั่นแอลเศ้าแอลแลี้ยงเนี่ยมือเศ้ากัแออลกินเขาเองจช้นอนกับเอลไปนอนหนินั่นน่ะถือว่าเป็นพืบาตายอยู่นี่ก็หรอกยิ่ดีพันิพพานหมดยิ่งที่มอคือแก้เก็บตาย อ, อีก มวกของสัตว์อรอยว่าปัตตานีทุกคนได้คว้ือคุณมูควนว่าอะไรอยเรืตัวนี้หนึ่งสองอืมซี่ังซี่ไม่เปียรอกี่แค่นาเขายังถือซี่ต้องมีสี่เขาบดถือหรอกหนึ่งสองสามสี่โอ้เจ็ั่นนั่นหมวกหนึ่งเยอวเี้ยอันนังซื้อมตัวอะไรเมื่อไหร่บอก ไปเอามือถือถือถือเรียบ้อยมาหาไปถ้านของกลางมันจะอ่านข้อไมเอาเรื่ง่าไปไปนอนก่อนซื้อจบเลถ้าเปนของกลางไปวิธีถึงมือพื้นพระท่ระังอย่างลูกเขาจะมันถือแก้มบัดมันมาถือดอกมันมาถึอแก้มบัดหลพระพุทธเจ้าจึงในล่าหนีจึงในล่าเขาซูมเขาในผ่าน เขมันเถื่อแก้วมันแงะกันย่นีมไปพรที่พพานละมองท่านว่ามันสมประสง์หตุนะมันเหมาสมาะสมอะไจังเฮี้ยนวิสารููตามเป็นจริงจังเฮียนวิสาเบอร์นายควบหลงกับของควบปรารถนากัของควบปาร์ตนากับของอยากให้มันสมประสงมันเหมสมเหมาะสมนั่นนันสมประสมก็ป้อยท่าแล้วบาทเนี่ยมองท่นว่ากระทํากตท่าใจให้มันสูก็มันท่านสอนท่านม่ได้ก็สอนจัของแล้วบาทเนี่ สอนพนอนจน์เ่ได้สอนเจ้าของก็าไม่ได้วัตถุที่ใดยังเห็นได้ตะเคียนเแนบบี่ยแท้ห่อแทะบริษัทธรรมศาสตร์นะทีนะฝึกตัวนี้แล้วจึงฝึกผู้อื่นไม่เดือดร้อนในภายหลังพระพเจ้าเราฝึกจิตของเราเหมือนนายคาริศีฝึกมาแล้วฝึกถ้าหยุดก็หยุดเราฝึกถ้าพิจารณาก็พิจารณาเราอยู่ๆหน้าจิต ไม่ใช่ยแต่อำนาจของเกตคิดที่ไปในทางที่ไม่ถูกเราก็ห้ามเบรกมันเรามาให้มันไปสิ่งที่เป็นประโยชน์เราก็ปล่อยมันไม่ใช่จะไปตันขี้ตันเดี่ยวมันทุกคนทุกแห่งคนละองค์พระเจ้ามันพ่อกันหมอดำมาทำเลยเหรอเอพ่อกันหมอดพ่อะอะไบอสเป็นพี่บ้าเ่ราะฉันพูดออกมา พราภาคตะวักป่าวเนี่ยแต่ว่าานะบางคนฮะอการป่วยต้องูมีอาการเยได้ปุ๊บอืมเอมากฮะตอบต้องครับอืมตามเด็กเด็มดเด็กนั่นเนี่ยเล้ยเลี้ยพบกันเลยปะพบกันเออเอาเพราะอะไรไ้แพ่อวาน่ารื่องพี่น้องเลยยอหมอบกายถวายศีลต่อพระพุทธศาสนาทุกเมือไห้ว่างสั้น เลือทุกรถบุษราภภูมิพระธรรมสงฆ์ทุกงานเก็บเขมปวดก็ดีุทุกเบยขาก็ดีย่อมบุษราพภูมพระธรรมสงฆ์ทุกเงอคอยพระธรรมสงฆ์่รถเยารถเยับยำทนก็ได้ไข่มูกสะกดร่ากายว่ายกไทุกคนทุกแห่งทุกที่ต้งทุกเงาไม่มีะมาเรื่องได้ไื้ดก็ดีอกกรบอกไกยพ้ายกรบบอกไก่ผีไก่กระบอกมาหาทิ่ตายคาขึ้นก็ไปสวรรค์ของรดอะมอบขาตัวรถขาตัวรดแล้วเรื่องดเรือใก็ดี พระจะเอามาแขนก็ออกแขนในใจนี่รอดพใจบอกเลือกพ้ะนามให้ต้องรุดทิมเลยแผลมาส่วนเล่นรบายมุอมือหนึง่งกว่าก็เทามือนึงคือพระเอมนี่นี่ว่าจะนอกมันจะสิถึงควพุทธะพระสงฆ์ว่าจะม า, ะ า, มาะถึงไหมไปเอาละฮะเนี่ยเมื่อไงพอมาเสียมือเขาละแล้วแกขกวนพระ ร, owners, ระุระระนน่นหัวออกกระปั้นกูตอก็รุดขกวเพราะว่านี่ปรเท เท่ไรก็มันพวกเก่าเขาสักเก่าอ่ะหรือนโมต่อเก่าอ่ะของผู้เก่าประเทศผู้ฟังกับมันผู้ผู้เก่าใจกับมันใจอันเก่าผ่้ฟังผู้ปฏิบัติกับมันใจอันเก่าประเทศอันเก่าเอสะตโมธนันต์พระธรรมเป็นของเก่าเพิ่งเห็นว่าสิเทศบ่ให้มันบ่ให้มันถือเก่เก่ามันสิได้บของผู้เก่าเทศฟังบ่ให้มันถึอเก่าเก่ามันถือฟังได้ของผู้เก่าฟังปฏิบัติบ่ให้มันถืออันเก่าิปฏิบัติได้บของผู้เก่าปฏิบัติ ปฏิบัติืออดีานั่นเออนวายฐานมลยโอกาสมากเออะเขยบ่ไมากเนาะคมันไลวัดเนาะไปวัดนึงขันยามือเขาสาแกไปวัดอื่นเขามาให้แห่แม่นวะัโตมีแครแล่นไปวัดอื่นนานๆนวดทีแม่นบ่แม่นบ่ วัดโตม่ไ้แค่แรกแต่วัดเอ้อนาสนดานนี่ อ, องอนะทากเนพอใจของคนเนาะถ้าดหลานกันหลเออหปทุกประทุกทุกท้นเนาะต้องไปโลกธอุออออด้วยดเดด้วยเดคุณนมเจ้าทางหลายพระทมทางหลายพระรยาสทางหลายจงหมีคยงขึ้นควบขวึนจะเลนยิ่งข้นไปกับเทือ